จากนี้ไปเป็นการแสดงปาธกถาธรรมเรื่องความคิดที่ถูกต้องโดยพระธรรมโกสาจารยญญานันทพิขุวัดชนรบทานลังสริกป่ปาเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่19ตุลาคม2529ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้นะบัดนี้ ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนำบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังปาตกรถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาตามที่เราได้ฟังกันมาทุกวันาทิตย์แม้ว่าจะออกพรรษาแล้วเราก็ไม่ออกออกพรรษาก็ไม่ออกจากการฟังธรรม ไม่ออกจากการทำความดีถ้าออกจากการกทำความดีก็ถอยหลังเข้าสู่ปาพรกปาพงเราออกมาที่รล่งแจ้งแล้วก็เดินทางต่อไปเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายก็ต้องเดินทางต่อไปสิ่งใดที่เคยประพฤติปฏิบัติในฤดูการเข้าปรรษาแม่ออกปรรษาแล้วก็ทำต่อไป การทำต่อไปนั่นเป็นการก้าวหน้าถ้าเราหยุดก็เป็นการถอยหลังพอออกปรรษาก็หยุดสักทีหนึ่งเข้าปรรษาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นกันเรื่อยไปไม่มีการก้าวหน้าเพราะงั้นจึงต้องก้าวหน้าในการศึกษาปฏิบัติธรรมะแต่วันนี้ญาติโยมร่อยร่ไปหน่อยคงจะกัดถิ่น น, นั่นเองเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์แรก ของการออกปรรษาก็มีการทอดกรตินกันวัดธรรมกายก็ทอดกันวันนี้วัดอื่นก็คงทอดบางคนก็ไปทอดกรตินหัวบ้านหัวเมืองตามเรื่องตามประเพณีที่เคยกระทํากันมาถ้าไม่ไปไหนก็มาวัดตามปกติการเทศก็เทศกันไปตามปกติมาเช้านี้มีพระลาสิกขาไปหลายรูปเพราะว่าครบกําหนดลา ลาไปสิรูปอ่าก็แนะนําว่าผ้าจีวรบาทอะไรนี่เอาไปบ้านบางก็ได้เอาไปเก็บบ่ายเป็นอนุสอ์เป็นเครื่องเตือนใจจะได้เตือนใจว่าเราได้บวชในประสาทศาสนาแล้วจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามวิสัยของคนที่ได้บวชได้เรียนแล้วแต่ว่าผู้ปกครองบางท่าน รัวไปบอกลูกชายว่าอย่าเอาไปไม่ได้ก็บอกว่าเอาบาดพระไปไหว้ในบ้านในบ้านจะแตกเลยมาลูกชายก็มาเอาทอนบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่เข้าใจไม่อยากให้เอาบาดเอาจีวรไปที่บ้านครัวบ้านจะแตกบอกว่าเอาบาดเอาจีวรไปไหว้ในบ้านในบ้านมันไม่แตกแต่ถ้าเอาเล้าไปไหว้ในบ้านในบ้านจะแตก เอาการพนันไปวหา้ในบ้านในบ้านจะแตกเอาการเที่ยวกลางคืนของพ่อบ้านไปวหา้ในบ้านในบ้านแตกอันนี้แตกด้วยเปิดเสรพ่อบ้านไปเที่ยวเนี่ยบ้านแตกไงแม่บ้านพอกลับมาแม่บ้านก็แหวกเข้าใส่มันก็บ้านแตกตอนนั้นเองของชั่วนเอาไปวหา้ในบ้านไม่ได้ของดีนะไม่เป็นไรเอาไปวหา้ได้แต่ว่าที่ได้เชื่ออย่างนั้น เพราะเชื่อตามเขาว่าคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ไอ้คนว่าเนี่ยมันมากเหลือเกินแล้วว่าตามกันทั้งนั้นถือตามตามกันมาว่ า, างั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ ète. ถ้าเราไปเชื่อตามเขาว่าเนี่ยเราจะเป็นบาทท้าตายเพราะมันว่าหลายคนคนนั้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่ออย่างนั้นเชื่อพระพุธธทธเจ้าดีกว่า พ ร, ระพุทธเจ้าว่าอะไรดีมันก็ดีจริงๆว่าอะไรชั่วก็ชั่วจริงๆเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็สบายใจไม่มีอะไรในครอบครัวไม่มีการแตกหน้าวเพราะสิ่งเหล่านี้แต่แตกหน้าวก็เพราะว่าเราไม่ประพฤติ ธ, ธรรมการเอาบาดเอาผ้าไปไหว้ในเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเหมือนกับเราประพุทธรูปไปไหว้ในบ้านบ้างคนก็ถืออีกเหมือนกัน มีรายหนึ่งเอาพระมาไหว้ที่วัดพระนั่นสีดําเรียกว่าหลวงพ่อดําบอกว่าตั้งแต่หลวงพ่อดําเข้ามาอยู่ในบ้านมันมีอะไรแปลกๆเจ็บไข้ใดป่วยบ้างอะไรทะเลาะบบาแวงกันเนี่บอกว่าทําไมไปโทษหลวงพ่อดําหลวงพ่อดําท่านนั่งเฉยๆท่านไม่ได้ยุบหยดอะไรใครให้ทําอะไรเราทํากันเองท้งนั้นเนี่ย มีอะไรบ้างอันนี้เล่าให้ฟังดิพอเล่าเรื่องอะไรฟังมันเรื่องกันเองทั้งนั้นเรื่องพ่อบาดบังเรื่องแม่บ้าดมังเรื่องลูกมังเรื่องมันที่ได้ยุ่งใ น, นเรื่องคนทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องพระเลยแม่แต่น้อยแต่กลับไปโทษพระซึ่งนั่งอยู่เฉยๆบนหิ่งนี่กลับไปโทษท่านแล้วก็ไม่เอากลับไม่ไหวในบ้านแล้ว อ, อธิบายให้ฟังกันเสียนานก็สุดยกตกงับไปบ้านอีก เข้าใจเอาเอาแบกกลับไปบ้านดิขอมาไม่ไวที่บ้านต่อไปเพราะเข้าใจว่าไม่ใช่พระความจริงพระอยู่ในบ้านมันช่วยให้เราดีขึ้นถ้าเรารู้จักพระแต่ถ้าเราไม่รู้จักพระอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นคือเราไม่รู้ว่าพระคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าพระสอนอะไรเราก็ดีขึ้นไม่ได้อะไรต้องเทศได้ฟังปะเทศจบแล้วอ่ะหนูขอคืนไปผ่าไว้ที่บ้านต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างงั้น มีแปลกๆอย่างนี้เรี่ยวกันมามีอะไรแปลกๆนี่เนื่องจากว่าไม่ค่อยเข้าวัดนั่นเองไม่ฟังธรรมไม่ศึกษาเรื่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเชื่ออะไรก็ตามเขาว่าอย่างนั้นคนนั่นว่าอย่างนั้นคนนั่นว่าอย่างนี้ว่ากันไปเรื่อยๆเลยก็เสียหายมีเยอะในเรื่องเขาว่าทําให้เกิดปัญหามากมายแล้วเราก็ไปเชื่อตามเขาว่ามันก็เกิดเป็นปัญหา สร้างบ้านสร้างเรือนก็อย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าแล้วอยู่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไปยึดถือในคำที่เขาว่านั้นว่าเป็นจริงเป็นจังเชื่อผิดนั่นเองพอเกิดความเชื่อผิดแล้วมันก็เป็นทุกข์ใจไม่สบายเรียกว่าอุปาทานการยึดถือในสิ่งผิดทําให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจถ้าหากว่าเรามาไต่ถามผู้รู้เสียบ้าง เช่นมาวัดก็มาถามใช่บ้างว่าอย่างนั้นถูกไหมอย่างนี้ดีไหมอะไรต่ออะไรพระท่านก็อธิบายให้ฟังเราก็ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจความเชื่อเลี้ยวไหลต่างๆมันก็หายไปเรากลายเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลคือผู้มีความเห็นชอบเห็นตรงตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนที่พูดในฟังมาสองสามมาทิตยิ เรื่องสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจจะให้ถูกต้องเอาเทพไปฟังซ้ําหรือเอาหนังสือไปอ่านเราก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วไม่ต้องกลัวใครว่าอีกต่อไปใครมาเติมมาทำไมกุทนทามีเราอย่าไปสนใจกับไอ้คำคนเหล่านั้นเนื่อว่าเป็นคนปากพล่อยก็แล้วกันชอบพูดชอบจ่าไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นรถอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์จะเกิดความเสียหาย เราเชื่อพระพุทธเจ้าสิ่งใดพระพุทธเจ้าสอนว่าถือว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเพราะพระองค์สอนแต่เรื่องถูกต้องให้เราเข้าใจให้เรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันนี้ขอให้ทาความเข้าใจไว้อันนึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือพ่อแม่อีกอลูกจะศึกก็เช้าเช้าก็ศึกให้ทุกวันใครจะศึกก็ศึกให้เจ้าเ้าตีสามครึ่งลุกขึ้น ไปสวดมนต์ทมวัดฟัคงคําสอนเสร็จแล้วก็นั่งสงบใจทําสมาธิภาวนาทําทุกวันเป็นประจำํำมาแล้ววันไหนจะเสร็จ ก, ก็ต่อจากนั้นไปเกิดทำวัดเสร็จวังอบรมเสร็จนั่งสมาธิเสร็จใครจะเศ็กก็อยู่ก่อนพวกไม่ศึกก็ไปก่อนอะก็ศึกให้อออเอาอีกแล้วพ่อแม่อีกอไม่รู้ว่าพ่อหรือแม่คนในคนหนึ่งอ่ะนูไปหามหมอ หาไหนก็ไม่รู้ไปหาหมอว่าหาเรื่องศึกให้ลูกชายกลัวว่าศึกไปแล้วจะลำบากจะยังไรมันไม่เจริญไม่ก้าวหน้านี่ก็เรื่องไม่เชื่อพระอีกอไปเชื่อหมอดูอีกอหมอดู ก, ก็ก็ต้องบอกมาามเวลาของหมอว่าวันนั้นต้องศึกเวลานั้นเ่นว่าให้ศึกเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้จะศึกองมาขอรับอนญาตผมศึกเก้าโมงเช้าหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ได้ มันต้องศึกเวลานี้9โมงนี่ไม่อยู่สึกไม่ได้แต่ว่าทําไมต้องสึก9โมงเช้าคุณพ่อโยมพ่อบอกให้สึก9โมงเช้าบอกพ่อมาพบหลวงพ่อสักหน่อยดินะพ่อพ่อพ่อของพระนะมามาฟังเทศหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้ที่ลูกชายจะศึกวันพรุ่งนี้แต่มาฟังเทศก็ฟังใบแช็ด้วยเลยทีเดียวว่าเราไม่ถือ ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้ถืออย่างนั้นคือไม่ได้ถือว่าเวลานั้นดีเวลานั้นไม่ดีเราถือว่าทําดีเวลาไหนมันก็ดีเวลานั้นทําชั่วเวลาไหนมันก็ชั่วเวลานั้นดีชั่วมันอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่เวลาไม่ได้อยู่ที่เวลาแล้วพระพุทธเจ้ากัดชัดเจนมากกัดว่านักขัดตังปฏิมาเนตัง อัตโนภาลังอุปัจชฌาอัตโนอัตทศนักขัดทังกิงกริตสันติตารกาคนปัญญาอ่อนมัวไปนั่งดูดาวดูเดือนอยู่ประโยชน์มันก็เลยไปใช่พ้นไปใช่ประโยชน์มันเป็นเลือกอยู่ในตัวแล้วดวงดาวในท้องฟ้าจะช่วยอะไรได้บอกว่ามัวแต่ไปนั่งดูดาวดูเดือนอยู่งานไม่ได้ทํา แล้วก็ถ้าจะทำก็ต้องรอให้มันได้เลือกอยู่มันก็เสียเวลาเสียประโยชน์ไปเสียเปล่าเปล่าเราองค์บอกว่าประโยชน์นั่นแหละเป็นเรืองอยู่ในตัวแล้วเราจะทำอะไรก็รีบทำเสียอย่าจักช้ายิ่งในสังคมยุคปัจจุบันนี้แล้วใครจะทำอะไรต้องรีบทำไม่รีบทำเพื่อนเอาไปทำเสียก่อนเราก็ขาดทุนแล้วจะค้าขายอะไรจะไปประมูลราชการอะไร หรือจะไปลงทุนอะไรมันต้องรีบทําต้องไปก่อนเพื่อนต้องตื่นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทํางานแข่งเวลามันจึงจะเจริญอันนี้มัวแต่ไปนั่งดูเรื่อง ด, ดูอย่างคนอื่นก็ไปกินจะแล้วก็เอาไปทำเสร็จแล้วแล้วก็เสียเปรียบคนอื่นตลอดเวลาชาวพุทธเราถือว่าประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่ควรกระทําเป็นเรื่องหมายความว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องกระทํา อย่าไปนั่งมัวดูดาวดูเดือนอยู่ประโยชน์มันจะผ่านพ้นไปเสียพระองคดไว้ชัดในเรื่องนี้ยกบาลีมาอ้างให้ฟังไว้ด้วยว่ามันเสียประโยชน์เปล่าเปล่าถ้าเรามัวไปดูสิ่งนั่นสิ่งนี้เห่นเราจะสร้างบ้านนี่ถ้าไปหาหมอก็เกิดเรื่องือหมอนต้องบอกว่าแม่เดือนนี้ทั้งเดือนสร้างไม่ได้ต้องรออีกเดือนเสียเวลาเท่าไหร่ของมันก็ขึ้น ยิ่งเดี๋ยวนี้มันขึ้นทุกวันของขึ้นราคาชาไปของขึ้นแล้วก็ไประดูที่มีฝนด้วยเช่นว่าเดือนห้าทั้งเดือนนี่สร้างบ้านไม่ได้ต้องไปสร้างเดือนห<ม>เดือนหกฝนตกแล้วขุดหลุมก็เจอเจาะต้องหาเครื่องมาสูบน้ําจะลงเข็มลงรากอะไรมันก็ลําบากเพราะมันเป็นหน้าฝนมันก็ยุ่งสร้างบ้านนี่มันต้องสร้างในเดือนกุมภาหน้าหนาว ดินมันก็แห้งขุดมันก็สะดวกทํางานได้ทุกวันไม่ต้องกลัวเปียกกลัวชื้นแต่ไปทําเดือน8เดือนเก้ามันก็ยุ่งกันใหญ่ฝนตกฟ้าร้องเสียเวลาแต่ตําราเขาเขียนไว้อย่างนั้นเนะี่ยมันมันไม่เหมาะแก่ภูมิประเทศอย่างบ้านเราแล้วตํารานั้นอนะ่ะมัวไปดูอยู่มันก็ไม่ได้ต้องรีบทําเอาไม้มาทิ้งไหวเปลวกินใช่เอาเหล็กมาทิ้งไหวก็ขึ้นสนิมสั่งมาหมายเหล็กยังไม่มีสนิม เอามาทิ้งไว้นานๆเอาเหล็กขึ้นสนิมพอขึ้นสนิมผูกเหล็กเทปูนปูนมันไม่เกาะเหล็กทีหลังมันก็แตกมันก็ราวไม่แข็งแรงนี่โทษอยากมัวไปนั่งดูดาวอยู่นะถึงมันเสียหายมาเราจะทำอะไรก็ไม่ต้องไปดูรีบทำเลยลูกชายจะสึกก็สึกไอ้เชา้ชาเช้ามันก็เรียบร้อยแล้วแล้วที่บวชวัดนี้ที่ศึ ก, กออกไปเชา้ชาๆ้ายังไม่มีอะไรยังไม่มีใครถูกรถสิบล้อชนตาย มันยังเรียบร้อยกันอยู่ทั้งนั้นมีคนเดียวที่เรียกว่ามีเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องเพราะไปเพื่อฉาติเขาเป็นนายทหารไปทางานเพื่อฉาติเดินไปกับผู้บังคับบัญชาบุบังคับกัดพันเอกบุบังคับเดินหน้านะถูกลูกระเบิดพันเอกเดินหน้าตายลูกศิษย์ของวัดนี่ไม่ตายขาขาดต้องตัดขาถูกระเบิดหายขาไปครัง ไปนอนอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎมาก็ไปเยี่ยมไปถึงบอกว่าหลวงพ่อมาเยี่ยมด้วยความดีใจดีใจที่เธอได้เสียสละขาไปข้างหนึ่งเพื่อประเทศชาติเพราะลูกระเบิดนั่นเป็นพวกของผู้ก่อการไม่ดีแก่ชาติแก่บ้านเมืองเธอไปทำงานเพื่อชาติจึงขาขาดไปเป็นเครื่องแสดงถึงความเสียสละ เรายังอยู่ข้างหนึ่งก็ยังใช้ได้หนึ่งสายค้าเทียมก็ได้แล้วก็หายเป็นปกติต่อมาเดี๋ยวนี้ก็ยังทําราชการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปแล้วจะเลื่อนขึ้นไปแล้วนั่นก็ซื้อไก้ตอนเช่าเหมือนกันไม่มีใครเสียหายก็มีอีกคนหนึ่งมันไม่ทําตามคําสอนเพราะไปดื่มเหล้าสั่งแล้วสั่งอีกว่าเธออย่าไปดื่มเหล้านะอย่าไปเล่นการพนันนะ อย่าไปเที่ยวกลางคืนอย่าไปคบเพื่อนชั่วนะอาบายมุกให้นกเบ็นเขาก็ไปทํางานชั้นแรกก็ดีก้าวหน้าอยู่ธนาคารธนาคารก็ส่งไปต่างประเทศให้ไปดูงานเพิ่มเติมวิ ช, ชาคงจะไปดื่มเหล้าต่างประเทศเขาเราไปอยู่เมืองนอกเขาถือว่าอยู่เมืองนอกอากาศหนาวหาเรื่องกินเหล้ากันไอ้คนเมืองนอกที่ไม่ดื่มเหล้า่มันเยอะแยะนาะโยมรูป ฝรั่งที่เขาไม่ดื่มเหล้ามีมากมายอามาเคยไปร่วมอยู่ในสมาคมของพวกฝรั่งที่ส่งเสริมศีลธรรมไม่มีใครสูบบุหรี่ไม่มีใครดื่มเหล้าไม่มีใครไปเที่ยวกลางคืนทุกคนเรียบร้อยเขาก็มีสุขภาพดีอาณาไม่ดีมีความเจริญทุกคนไม่ไม่ได้เสียหายไม่ดื่มก็ได้เมืองนอกไม่ดื่มเหล้า ก, ก็ได้เพราะว่าความอบอุ่นนั้นไม่ต้องดื่มเหล้า ก, ก็ได้ เพราะในบ้านเขามีฮีตเตอร์เครื่องทําความอุ่นแล้วอยู่ในบ้านมันก็อุ่นอ่ะออกไปข้างนอกก็ใสอะไรต่อะไ ร, ตะไรเต็มทั่วไปหมดมันก็ไม่เย็นอะไรหรอกไม่ต้องดือก็ได้แต่ว่าคนไทยเราไปอยู่เมืองนอกก็อ้างพอกลับมาผมมันไปติดเล่ามาจากนอกเพราะมันหนาวอะสัญดานมันไม่ดีเองไม่ใช่เรื่องอะไรที่ได้ไปติดมานะไม่ใช่เพราะอากาศหนาวอะไรอะไรไปอยู่เบางนอกก็คงจะติดมา วันนั่นก็เอารถของแฟนยังไม่ได้แต่งกันแล้วกู่มั่นมเมาแล้วขับรถมาตามถนนสายวิภาวดีเวลานั่นเขา ก, กาลังซ่อมถนนตอนหนึ่งอามาก็เคยนั่งผ่านตรงนั้นแล้วก็นึกในใจว่าแหมไอ้นี่นะี่ยมันน่าจะมีเรื่องเพราะไม่เอาไฟติดไว้มันอาจจะมาชนเสาอะไรเข้าก็ได้แต่นั่นเกิดอุบัติเหตุก็ชนกันรถสิบลอ้อ แล้วก็ถึงแก่กรรมเขาก็ศพมานี่ อ, อามาก็ไปเยี่ยมศพถามว่าชื่ออะไรบอกชื่อเอา้าก็บวชที่นี่เบอกบวชกับหลวงพ่อนั่นแหละแล้วทําไมมันถึงตายมันเมาเอา๋อมันไม่เป็นศิษย์หลวงพอ่อมันถึงตายเพราะอะไรนะอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ศึกเรื่องไม่ดีแต่เพราะไปทําไม่ดีเลยก็ถึงแก่กรรมไปนะนั่นแหละมีรายเดียวเพราะกินเหล้านะมันไม่ใช่เรื่องอะไร แต่ถ้าประพฤติดีประพฤติชอบตามคําแนะนําที่ให้ไว้ในวันลาสิกาเพราะลาสิกาตอนเช้านี้ต้องเทศกันก่อนสอนกันก่อนแนะนําย่าแล้วย่าอีกในเรื่องควรประพฤติไม่ควรประพฤติรรพเพื่อให้ออกไปเป็นคนเรียบร้อยถ้าเขาตั้งใจประพฤติดีประพฤติชอบอยู่มันก็ไม่มีอะไรเรียบร้อยมันนะบวชมาตั้งเท่าไหร่แล้วเจอถึงพันกว่าสองพันสามพันคนเลยซ้าไปก็เรียบร้อย ไม่มีอะไรเสียหายทั้งๆที่ศึกในตอนเช้าทั้งนั้นแหละต่นี่จะไปศึกเวลาอื่นตามที่หมอว่ามันก็ไม่แฉอย่างนี้ขึ้นหรือไม่ได้เลวลงเพราะศึกเวลาไม่ใช่ตามหมอว่ามันอยู่ที่เราทําดีถ้าเราทําดีแล้วก็ใช้ได้เรื่องอย่างนี้อยู่ที่ทําดีแต่งานก็เหมือนกันนะถ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวมันรักกันจริงๆเสียสละกันจริงจริง อยู่กันโดยรรมะแล้วแต่งวันไหนก็ได้มันไม่แตกแยกกันที่แตกแยกกันแม่แต่งวันเลือกดีมันก็แตกเพราะนิสัยมันไม่ดีมันไม่เสียสละบางทีก็แม่บา่นไม่ดีบางทีก็พ่อบา่นไม่ดีมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดีขึ้นมามันก็อยู่ไม่ได้คือไม่ประพฤติธรรมมีความเชื่อไม่ตรงกันมีศีลไม่เหมือนกัน มีปัญญาไม่เท่าเทียมกันมีความเสียสละไม่เท่าเทียมกันมันก็เกิดอยู่กันไม่ได้อยู่กันได้ด้วยมีศรัทธากรุงกันมีศีลเท่าเทียมกันมีปัญญาเท่าเทียมกันมีความเสียสละเท่าเทียมกันมันก็อยู่กันได้พระพุทธเจ้าว่าว่าอย่างนั้นถ้าประพฤติตามหลักธรรมเหล่านี้ก็อยู่กันด้วยความสุขไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรแต่ถ้าไม่ประพฤติธรรมแล้วมันก็ยุ่งเราลองสังเกต ลูกหลานของเราที่มันญาหย่าลองศึกษาดีว่าใครผิดมันต้องผิดข้างหนึ่งหรือผิดกันทั้งสองข้างแปลว่าไม่เป็นธรรมทั้งคู่อยู่กันไม่ได้แต่บางทีมันอยู่กันได้เพราะมันประพฤติเหมือนกันบางกันกินเหล้าด้วยกันเล่นการพนันด้วยกันเที่ยวด้วยกันอแม้แต่อะไรก็หมดเนื้อหมดตัวร่วมกันมันก็อยู่กันได้แปลว่าผีกับผีมันก็อยู่กันได้ พระกับพระมันก็อยู่กันได้เทวดากับเทวดาแต่งงานกันมันก็อยู่กันได้แต่กว่ายหนึ่งเป็นผีกว่ายหนึ่งเป็นเทวดาอยู่กันไม่ได้ถ้าเป็นผีทั้งคู่มันอยู่กันได้แต่อยู่เพื่อความเสื่อมไม่ได้อยู่เพื่อความเจริญเทวดากับเทวดาแต่งงานกันมันก็อยู่กันได้อยู่จนแก่จนเท่าถือไม้เท่ายอดทองตะบองยอดเพชรเขาเจริญก้าวหน้าเพราะเขาประพฤติรำให้สังเกตอย่างนั้นครอบครัวใด มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระธรรมเป็นแนวทางชีวิตมีพระสงฆ์เป็นผู้เตือนจิตสกิดใจครอบครัวนั้นเจริญมั่งครั้งมีลูกดีมีหลานดีเพราะประพฤติทธำธรรดีแต่ถ้าไม่ประพฤติทธำธรรแล้วมันเขยุ่งทุกครอบครั ว, วมันไม่ใช่ดวงมันไม่กรุงกันไม่ใช่หรือว่าวันคืนเดือนปีมันไม่เข้ากันเอามาทาอะไรแล้วมันไม่เข้ากันเขาเรียกว่าทำพิธี โบราณ น, นะก็ต้องถามวันเดือนปีควายหญิงควายชายแล้วมาดูว่ามันเข้ากันได้ไหมถ้าเข้ากันไม่ได้อีกควายหนึ่งก็ไม่ยอมแต่งงานด้วยมันเข้ากันไม่ได้ไอเมื่อก่อนนี่เขาไม่ได้พบกันชายหนุ่มหญิงสาวไม่ได้พบกันไม่ได้รู้จักกันพ่อแม่ก็ไปจัดการสู่ขอให้มารู้เห็นหน้ากันก็วันแต่งงาน น, งนะหรืออาจจะเห็นแต่ไม่ได้พูดกันเวลาอื่นไปเห็นเวลาไปวัด วันชักพระจะเป็นปักไตมโนราแข่งเอาแต่งตัวไปเตี่ยวงานไปเห็นไม้มนันปั่นตาไว้เสืบดูว่าลูกใครหลานใครแล้วก็เป็นเรื่องผู้ใหญ่ที่เขาไปสู่ขอให้แต่งงานกันแต่ก็อยู่กันเรียบร้อยไม่ค่อยจะยุ่งยากสังคมชาวนาชาวสวนแต่งงานแล้วก็อยู่กันเรียบร้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเขาไม่ฟุ้งซ่าน ต่างคนต่างช่วยกันทำอาหกินอยู่กันจนแก่เท่าถือไม้เท่ายอดทองนางว่าแล้วแต่ก็อาศัยธรรมะเป็นพื้นฐานเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าเพื่อความสบายใจสําหรับผู้ที่มีความเชื่อเพื่อให้สบายใจมีหนุ่มสาวคนหนึ่งมาหาบอกว่าหลวงพ่อช่วยดูเรื่องให้หน่อยถามว่าดูยังไง รูว่าหนูจะแต่งงานกันวันไหนก็แล้วกันทําไมต้องรู้คุณพ่อคุณแม่เขาเชื่ออย่างนี้กั น, นี่ก็จะไปหาหมอดูหนูก็ไม่ค่อยเชื่อเลยมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อว่าแลว้วมันใช้ได้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องเปิดตําราหรอกไม่ต้องเปิดตํารารว่าเธอวันอะไรอะไรก็บอกว่าเอาเร็วหรือเอาช้าผมถามอีกหน่อยเนี่ยว่าเอาเร็วภายในกี่วันภายในสิบห้าวันนี้เนละยไปในสิบห้าวัน ก็เลยบอกไงเลยเอาวันเสาร์ก็แล้วกันวันเสาร์วันที่ต่อนั้นแต่งงานแต่งกันตอนเช้าแล้ยแล้วเขาก็จะได้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่บอกว่าหลวงพ่อปัญญาดูให้แล้วว่าวันเสาร์นี่เขาก็ว่าเขาเขาาก็ว่าดีนยท่านปัญญาดูให้เนี่ยความจริงไม่ได้ดูบ่อเลยดูว่าวันมันเหมาะวันไหนนี่เขาแต่งกันนะแล้วก็อยู่กันเรียบร้อยมีลูกสามคนแล้วเวลานี้ เรานานมาแล้วแต่มาอยู่วัดจนประธานใหม่ๆมีลูกสองสามคนนี่อเขาก็อยู่กันเรียบร้อยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้ดูเรื่องยาอะไรแต่ว่าแนวันให้ว่าควรจะวันนั้นมันพอหมอพอดีหยุดงานหยุดการคนมาช่วยเหลือก็มาสะดวกก็เท่านั้นแหละไม่ลำบากอะไรคราวหนึ่งไปนั่งอยู่ที่วัดแจ้งสงขรามีสองคนมาถึงสามาสมพานเพื่อนกันสมพานถามาธุระอะไร อยากให้ท่านเจ้าคุณช่วยดูให้หน่อยเด็กมันจะแต่งงานเจ้าคุณลุกขึ้นเข้าห้องถามไปทําไมเอาตําราโอ้ไม่ต้อง <ol> คือมีตําราพรหมชาติอยู่เล่วอย่างเจ้าคุณวิเชียนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเรื่องเล็กน้อยจะไปดูตําราอะไรผมดูเองเอ่ะเลยครับบอกว่าย omma, โยมพร้อมแล้วหรือลูกลูกชายลูกสาวพร้อมจะจัแต่งงาน obia, นะนะอยเอาเร็วเร็วไมอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้หรือจะสัปดาห์ไหน เอาเอาสนี้ยอาทิตนี้วันไหนดีจ้าะก็แน่ให้วันดีมาอ๋อแต่งวันพฤหัสเพราะว่าไม่ใช่ข้าราชการก่อนทำมาหากินบอกวันพฤหัสเลยดีวันดีฉันนี่มันเกิดวันพฤหัสเหมือนกันจึงดีมาจนบัดนี้นะเกิดให้มันแต่งกันวันพฤหัสเลยอยู่กันเรียบร้อยเวลานี้ก็ยังอยู่ไม่เลยทํามเลยคือมันรักมันชอบกันแล้วมันก็อยู่กันได้นั่นแหละ แต่ถ้ามันรักไม่ชอบให้วันวิเศษอย่างไรมันก็อยู่กันไม่ได้ก้นหม้อไม่ทันดำคนโบราณก็พูดเพราะว่าหุงข้าวโดยหม้อดินนี่ก้นหม้อไม่ทันดำก็อย่ากันแล้วอนี่มันเพราะว่ามันไม่รักไม่ชอบกันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้มันก็แปลกๆเัมือนคนจะเดินทางไกลเนี่ยก็ต้องดูเรื่องซื้อตั๋วเรือบินแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเรือบินจะออกกรุงนี้กลางคืน แต่ว่าพรุ่งนี้นี่ไม่มีเลิก อ, ออกจากบ้านเลยไปหาหมอหมอท่านบอกแมมวันพรุ่งนี้ออกจากบ้านไม่ได้ทั้งวั น, นและออกจากบ้านไม่ได้แล้วจะไปทาหากินได้ไงมันก็ต้องอยู่บ้านมันยังคำเลยก็ต้องออกเสวันนี้ไปนอนไหนโรงแรมนอนโรงแรมเรือบินยังไม่ออกเลยไปนอนโรงแรม เสียค่าโรงแรมขึ้นอะไรตอไหนเราไปนอนคนเดียวก็ไม่ได้ตออนแม่บ้านไปนอนด้วยโรงแรมเสียสองคนนอนวันเกินหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นกลางคืนเนาะเรือบินออกกลางคื น, นออกยี่สิบสามนต้องดูวันออกจากบ้านแล้วเราออกจากบ้านอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเช้าก็ออกไปทํางานเย็นก็เข้าบ้านก็ไม่ได้ดูเรือ่องดูยามอะไรอ น, นี่จะไปเรือบินไปนอกต้องดูหน่อย รัวเรือบินจะไปตกมันไม่ใช่เรื่องอะไรแลอวมันก็ห น, นีไว้พ้นนะัถ้าเครื่องมันเสียมันก็ตกนะไอเรือบินตกนิยมไม่ต้องเป็นทุกข์คือตายสบายมากตายเรียบร้อยเรือบินตกนะไม่เจ็บไม่ดินอะไรนะี่ปุ๊บปไปเลยนะเรียบร้อย น, ะยอยนี่เรียบร้อยดีถ้าลงในทะเลยิ่งเรียบร้อยใหญ่ลงไปทั้งลำเลยลงไปในทะเลเรียกว่าฝังเสร็จเรียบร้อย ลองบนบกมันก็แตกกระจายไปตามเรื่องตามเราเนื้อที่กว้างเขามันก็เด็นไกลหน่อยถ้าเนื้อที่แคบมันก็ลงเหวเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นแหละไม่ไปไหนอ ย, อยู่ในเหวแล้วแหละมันไม่ลําบากเวลาขึ้นเรือบินแล้วก็ต้องอธิบายต้องทําอย่างนั้นเอาออกซิเจนมัดสายต้องมันไม่มีโอกาสจะทําสักทีพอเกิดอุบัติเหตุมันทําไม่ทัน เพราว่าเบาใต้ที่นั่งของท่านนั่นแหละคือชูชีพเอามาถือไว้อย่างนี้แล้วก็ลงไปมันไม่ได้ลงสักรายเดียวยไม่ทันแต่เขาก็สอนทำหน้าที่แล้วก็พอเรือจะออกก็สอนอทําให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้เอามาไปที่ไรก็นั่งยิ้มยิ้มอยู่ในใจว่า <laughs> มันไม่ได้ทำหรอกเวลามันเกิดอุบัติเหตุมันยิบไม่ทันมันเรือมันหนักเหลือเกินเนี่ยพอเครื่องเสียมันก็บึ้งลงไปแล้วนะ เร็วมากมันก็เรียบร้อยไม่ได้ใช้สักลายหนึ่งนี่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องกลัวเวลาไปเอามาขึ้นเรือบินนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้นึกกลัวนึกว่าถ้าเรือมันเสียหายมันก็ตายเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรวัดวาอารามก็ไม่ห่วงคนอื่นเขาอยู่กันต่อไปเราไม่มีอะไรที่จะไปแบกไปพาระไปมันสบายนั่งไปสบายสบายมีอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เรือบินไปนอกมันไม่มีอะไรมันไป เรื่บไ้เรือบินไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่นี่ยมันยังมีบ้างเนาะ้บเรือไงเรือเล็กๆสมัยก่อนไอดาโกต้าฮิบรูเอบรูนี่มีอึ๊บอะบางทีถูกพายุไปคราวหนึ่งออกจากภูเก็ตไปสงขลาทั้งลมตั้งฝนเรือบบบ๊บบบาดหลวงนั่งอยู่ใกลๆมาชุลลวงลูกประคำมาจิ้มขวาจิ้มซ้ายซักใหญ่เน้ว นึกในใจว่าเฮ่บาตหลวงนี่ัวดใจไอเราหลวงพ่อนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนั่งนึกยิ้มยิ้มบาตหลวงไวในตัวบอกเอ้ปวตายอะไอมันจะตายก็ตายสิว่าจะเป็นทุกร้อนหนาเลยก็ไม่เป็นไรมันก็ไปถึงสงฆ์ปลาลงไม่ได้สนามมือเไปหมดนึกสงสัยว่าทําไมไม่ลงเดี๋ยวออกไปทะเลเดียวออกไปทะเลทําไมบนทะเลบ่อยๆลงไม่ได้ สนามบินไม่ลงแต่นักบินดือ้อเวียนไปเวียนมาพอเจาะช่องด้านหน้าพุ๊บลงไปได้พอลงไปถึงสนามบินนายท่ามาถึงคุณนี่ดื้อมาก <c oughs> ชี้หน้าเลย <c oughs> เขาบอกไม่ให้ลงให้กลับไปปูเ ก, ก็ตเกินลงมานักบินว่าเอ้ยมือฉันนี่นนยังคุยโตได้อีกเลยปลาเดียวมันไม่ตกมันยังคุยโตได้นะ แต่ตกแล้วไม่ได้คุยต่อเมื่อชั้นนี้มัต้องลงได้สินะเวลาลงก็น้ําก็จอยนะลงได้เราก็ลุ่งใจไปนะแล้วลงมาที่สนามบินก็เปียกหมดนะหลังคาสนามบินก็ทําแบนๆ เ, เนี่ย ต, ตะเลสงขาลมมันศาสตร์อย่างนี้เนะี่ยเปียกหมดนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องรื้อทำใหม่มันไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้นี่ไม่ต้องตกใจทำใจดีๆไว้ มีเหตุการณ์อะไรก็คือว่ายอมมันจะก็แล้วกันถ้ามีอะไรอ่ะเป็นก็เป็นไปยอมมันจะพอยอมแล้วก็หมดเรื่องไม่กลัวแล้วคนเราถ้ายอมแล้วมันไม่กลัวไม่ว่าอะไรแล้วเอ้าเป็นอะไรก็เป็นกันอเสร็จหมดเรื่องอย่าไปวิตกกังวลนใน้มันเกิดปัญหาจิตใจจะเศร้าหมองยอมจะแล้วก็นั่งเฉยๆภาวนาไปในใจก็ได้นึกว่าเออมันไม่เทียง แต่มันจะตายก็ตายแต่มันไม่ตายก็อยู่ต่อไปนึกอย่างนั้นสมัยสงครามนี่หลบภัยันแรกอยู่วัดสามพยามันมาระเบิดเทเวทีทวังกรมหลวงปราจินหลังใหญ่เนะี่มันทิ้งราบไปเลยพอพอเรือบินกลับแล้วอามามาดูอย่างนี้นะี่รีดมันอย่างนี้นะมันวังใหญ่นะตึกใหญ่แนละ้วม่นจะเล็กๆนะ วางกลมหลวงปราจินนะงองคญาติโยมคงเคยเห็นเทเวศนะนะรงค์ข้ามก็วังกลมหลวงราชบุรีนะเรียบไปเลยหายไปเลยมาโอ้มันหนักขนาดนี้นกในใจนะไม่ได้การแล้วอยู่แถวนี้เห็นจะไม่ได้ลบ <c oughs> ลบไปโยวัดวิเศษสการเพื่อนอยู่ที่นั่นคนเราไปอยู่นั่นเจอดีเนี่หนัก ก, กว่าก็ทางนี้อเองคืนนั้นมันมาทิ้งบางกอกน้อยทิ้งหลังโรงพยาบาลสีราษฎ บ้านเล็กบ้านน้อยนะเรียบไปหมดนะแะ้วเบิดทําลายนะไฟไห้โคดังเก็บของที่บางกอกน้อยอันนี้พักอยู่วัดวิเศษก็ลงจากคุตีก็จะไปไหนดีเราไปอยู่วัดวิเศษสการเพื่อนอยู่ที่นั่นคนเราไปอยู่นั่นเจอดีหนัก ก, กว่าก็ทางนี้เองคืนนั้นวันมาทิ้งบางกอกน้อยทิ้งหลังโรงพยาบาลสิริราช บ้านเล็กบ้านน้อยนะเรียบไปหมดนะระเบิดทําลายนะไฟไหวโกดังเก็บของที่บางกอกน้อยอันนี้พักอยู่วัดวิเศษก็ลงจากคูตีก็เฮจะไปไหนดีสามแยกคไยฉา ย, ายไม่ได้คไยฉายอยู่ตรงนั้นเดียวมันติ่งคไฟฉายออกไปไม่ได้สามแยกคไยฉา ย, ายนึกไปนึกมานอนในคูนี่ดีกว่าลงในคูมันแห้งหน่อยไม่ใช่นาฝนลงมปนอนอยู่ในคู พระองค์หนึ่งลงไปในบอ่อเอมือจับขอบบอ่อห้อยต้องเตงเ่งต้งแต่แกบอกแม้บอ่อสันเนี่ยบ่อกระทรึนพอปึ่งบ่อกระเทือนทุกทีจี้หมาเชมลงมาอยู่ในบอ่อมีองค์หนึ่งนะออกจากวัดตะเลือถายไปไปไปไ ป, ไปออกบางกอกน้อยจากวัดวิเศษการวิ่งไปบางกอกน้อยไปเจอโยบโยช่วยด้วยช่วยด้วยโยมบอกฮผิดธรรมเนียม พระที่ต้องช่วยชาวบา้านนี่ชาวบ้านจะไปช่วยพระยังไงพอโยมมาอย่างนั้นเกณฑ์นึกได้โอ้แหมกูเนีเป็นพระเนี่ยเออตกใจแล้ยกูเป็นพระกลับวัดเลยเดินกลับวัดตอบเจ้าขึ้นนะกอใบเปิดขาดูนี่หลายพลอยเลยหญ้าบาดเดีบุกไปตามร่องสวนหญ้าคาบานน้ําตําเลือ่อเทอะไปหมดทั้งตัวแล้วลายความแหมตกใจ ไปขอยโยมช่วยขายหน้าโยมจริงๆเออเป็นอย่างนี้นี่คือความตกใจามากอนนะกว่าเอ้ไม่ไหวแล้วเรามาวัดวิเศษมันยังมาตามมาทิ้งเลยกลับบ้านดีกว่าขึ้นรถกลับกูุบ้านไปไปสงขลาดีกว่าไปอยู่สงขลาจะปลอดภัยก็ไปอยู่ที่วัดเรียกวัดอูดไทยโยชายทะเลกว่างทะเลสาบที่วัดถึงทะเลสาบอ้ามาทิ้งอีกแล้ว ไอ้ปอยู่สงขากลัวหนักกว่ากรุงเทพมันแคบเนื้อที่มันแคบเวียนไปเวียนปุูเอาปืนกลยิงอยู่ตลอดเวลาแหมสวยหัว <laughs> เลยก็ไอ้ที่วัดมันเคยทิ้งแล้วพุ้ติพังไปแล้วเที่ยวามาเคยอยู่นะ่ะญี่ปุ่นมันยูมทิ้งพังหมดเลยพอมาแล้วก็เอา้าชวนเพื่อนนะเจ้าคุณวิเชียนนะสองคนไปไปไปไปราธิีอา้าวเดินลงไปเดิน มาเดินหน้าแกเดินหลังไปไ ป, ไปไปไปไฮะหายไปไหนแล้วเ<ม>จ้าคุณวิเชียรเพื่อนกันหายไปเลยแล้ว ห, ลหายไปไหนเ<ม>หลือคนเดียวลงไปชายทะเลไปเจอพระองค์หนึ่ง <c oughs> บอกเอา้ามาจากกอยยังไม่ทันถึงตลาดเลยเรือบินมาเลยจอดโครมก็ตรงนี้ขึ้นมานั่งนี่เอา้าเอานีิ <c oughs> เวลามันบินมาก็นอนดูนอนไงายนะเดี๋ยวเอ้ามึงยิงถูกคูตาย ถ้ายิงไม่ถูกกูอยู่เว้ยแล้วก็นอนมันเฉยๆอ๋อมึงไปฝันไปมันก็ไม่ยิงอ่ะปุปป๊บ ป, ปุ๊ปุ๊บพอถึงนั้นมันเหยียบไปไปเดี๋ยวไปยิงทางโน้นนี่ไอ้ตรงนั้นมันไม่มีทหารญี่ปุ่นมันก็ไม่ยิงอะนอนหงายดูอย่างนั้นพอมันผ่านเออถ้ามึงยิงกูตายถ้าไม่ยิงยิงไม่ถูกกูอยู่ต่อไปอไม่ตายอ哟ไม่ไตายตับวัด เ, เจ้ากูมีเทียนไหนไปไหนนึกในใจ พอย็นน่ยมาเดินขยุกขยิ ก, ยกน้ำตำเท้ารุงรังไปหมดถามว่าไปไหนนี่นะก็เรียกว่าไม่ใจเพื่อนตายตายอะไรมันบินอยู่บนหัวอยู่ไม่ได้แล้วไปไหนโน่นเนยไ ป, ไปถึงบางกระดานใครอยู่สงกรารู้รู้ว่ามันใกล้ขนาดไหนเนะี่ยไปบางกระดานวิ่งชายทานะเลแล้วก็นามน้ำต้นปิ้งเน่ะน้าเล็ก ตามเต็มเท้าเลยวิ่งไม่คิดชีวิตชีวาไปขึ้นหนาบางกระดา น, น อ, อย่างนี้ร่างใหญ่เส้อเปล่าเปล่าใจนิดเดียวขืนอยู่ก็เดี๋ยวก็ตายแล้ววิ่งไม่ตายก็ไม่ตายนี่ยังได้มาคุยกันได้เกยคนชอบพูดตลกแต่ว่าเวลาเอาจิงขี้ขาดเต็มทีต้องมาเคลียร์หนามกันเลยทีนี่เคลียร์หนามตามเจ้าเออหน้ากลัวจริงๆก็ไม่เป็นไร เราต้องใจดีสู้เสือเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนั้นชั้นแรกมันอาจจะตกใจนิดหน่อยแต่นึกได้อย่ามันจะมากมันจะเป็นอะไรนักหนาเยอย่างมากก็ตายนะถ้าเรายอมด้วยมันก็หมดเรื่องอะหมดเรือสบายใจนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็อาศัยธรรมะแหละช่วยคือนึกได้มีสตินึกได้ว่ามันธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนั้นจะไปกลัวให้ใจเสียทําไม เรายอมมันจะกแล้วกันเอา้าแต่มึงยิงถูกกูจ่ายยิงไม่ถูกกูยู่ต่อไปก็นอนเฉยทีนี่อย่าไปเที่ยวดินรนมันมันก็ไม่ยิงเรามันไม่มีเกณฑ์จะตาตายอย่างนั้นมันไม่เป็นไรอยู่มาได้ได้มาเที่ได้โยมฟังอยู่ได้หลายปีแล้วนี่สงครามเลยมาถึงสี่สิบปีแล้วก็ไม่เป็นไรมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นไปไหนนี่ไม่เคยตกใจอย่างนั้นไม่เคยคิดนั่งเรือบินก็นั่งเฉยๆอ่านหนังสืออะไรอะไรไปตามเรือ่อง ไม่ได้ไปคิดวิต ก, กังบนอะไรใจมันก็สบายเราอย่าคิดในมันเป็นทุกข์คิดในมันถูกต้องอันนี้ความคิดที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบหรือดําริชอบดําริก็คือคิดคิดในเรื่องอะไรคิดในเรื่องสามประการเขาเรียกว่าคิดในอันออกจากกามในอันไม่พยาบาท เบียดเบียนใครแล้วก็คิดในเรื่องอไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่พยาบาทสามเรื่องกว่ากามาวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกกามาวิตกเนี่ยมันก็ว่าคิดในทางการในทางอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นเรื่องกรารทั้งนั้นวิหิงสาวิตกคือคิดวางแผนจะทำลายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่น พยาปาทวีตกหมายความว่าครุ่นคิดในเรื่องโกรธเรื่องเบียดคนอื่นเรียกว่าพยาบาทสามอย่างนี้เป็นมิจฉาสังกับป่าเรียกว่าเป็นความคิดผิดถ้าใครมีความคิดผิดจิตใจเศร้าหมองหน้าตาก็ไม่ปรงใสจะทำอะไรก็ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรเพราะพื้นฐานทางจิตใจไม่ดีรุ่นคิดในเรื่องไม่ดีท่านไม่คิดอย่างนั้น ท่านให้คิดออกจากกามไม่เบียดเบียนกันไม่พยาบาทใครๆให้คิดในรูปอย่างนั้นความคิดที่จะออกจากกามนี่ก็เรียกว่าเนกขมวิตตุเนกข ม, ม, กกข ม, มหมายถึงการออกไปพรากจิตออกจากอารมณ์ที่รักที่ใคร่ที่พออกพึงใจด้วยประการต่างๆเรื่องของกามนี่หมายถึงอะไร หมายถึงสิ่งที่เราอยากจะมีจะได้ก็มีห้าอห้าเรื่องที่เราสวดอยู่ทุกวันเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เรียกว่ากามกามคุณกรรมคุณเกิดสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจยินดีเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นๆเป็นลักษณะของตัณหา ต่าันหาก็คือความยินดีเพลิดเพลินเพลินนักในสิ่งนั้นๆสิ่งที่ชวนให้เพลินก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปที่เราเห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกายประสาทเห็นไปจับต้องได้นี่เรียกว่าโพธิพพ พูดตามภาษาธรรมะเรียกว่าโผฏฐพะถ้าอย่างนี้เป็นเครื่องล่อใจจูงใจให้คนหลงเพลิดเพลินมัวเมาอนนี้คนเราถ้าว่าคิดขุ้นในเรื่องกรรมอย่างนี้ก็หมายความว่าคิดถึงรูปที่เราอยากจะได้คิดถึงเสียงที่เราอยากจะฟังคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสของอาหารคิดถึงการจับต้องเพลิดเพ ล, นเพลินในเรื่องเหล่านั้น เรื่องของร่างกายเนี่ยกามอารมณ์เรียกว่าเป็นเรื่องอยู่ในกรมคนหมกมุ่นในเรื่องกรมจิตใจเศร้าหมองไม่ปรงใสหน้าตาก็ไม่โปรงใสที่เรียกว่าหมกมุ่นมากเลยไม่ปรงใสดูสัตย์เดรัจฉานในะดูที่มันหมกมุ่นมัวเมานี่มันไม่ฟังเสียงใครไอ้เจ้าใหม่พระสมชายเลียงไว้ไอ้เดิมทีอาตมาเรียงก็เอามาให้ขอไปตัวทถานี้ เอามาเลี้ยงไว้ในห้องเลยนอนด้วยกันเวลานอนมันก็จะออกเขามันอนระหว่างรักแรกนอนด้วยกันไอ้นอนด้วยกันไม่เป็นไรแต่มันเยี่ยวรถที่นอนนี่มันจะไยุ่งใหญ <c oughs> ่มันอยู่งั้นทีหลังพอโตขึ้นหน่อยก็ให้สมชายไปเอาไปเลี้ยงถ้าวันไหนสมชายไม่อยู่มันมาแล้วดกเด็กดกเด็กมาทําท่าไปจบไปแจงรู้แล้วว่านั้นสมชายไม่อยู่ต้องไป ม, มาหาที่เก่าแต่ถ้าสมชายอยู่แล้วก็ไม่มา ระดูปกติเขาจะอยู่ไม่ไปไหนแต่ระดูนี่นี่ต้องวิ่งให้วนร้างำคำกลางคืนถูกกัดหูขาบมามั่งอะไทอะไรมามั่งเนี่ยเรื่องอะเรื่องตัวเมียเรื่องกรรมนะคือว่าหลงในก ร, รมได้รับความทุกข์ความเดือดรอนด้วยประการต่างๆถ้าเขาพุ่งไปแล้วปกติตะสมชากเลยไม้หันกลับมาดันดีหันมาดันดีเดี๋ยวนี้ไม่ ไม่มีหูไม่มีหูไ ม, ม่ไปแล้วไปตัวอย่างง่ายๆในเรื่องความเพลิดเพลินในเรื่องเกี่ยวกับรูปเสียงเป็นรสสัมผัสสัตเดีฉานก็เพลินไปงั้นเรียกว่าลืมเจ้าของลืมอะไรหมดทุกเสียงทุกประการจิตมุ่งแต่เรื่องอย่างนั้นนั่นนะคือการมมามีตุกหมกมุ่นอยู่ในเรื่องอย่างนั้นคนเรานี่ก็เหมือนกันโดยเฉพาะคนวัยนุ่มวัยจกันทั้งหญิงทั้งชาย เริ่มรู้สึกเรียกว่ารักแรกพบไอ้รักแรกพบนั่นแหละคือตัวยุ่งฮะตัวยุ่งเขาไปรักกันข้าวชอบคนนั้นชอบคนนี้จิตใจก็อยู่กับสิ่งที่ตนชอบไม่ได้พบแล้วก็ไม่สบายใจไม่ได้เห็นหน้าก็ไม่ได้สบายเดี๋ยวนี้มันมีสื่อโทรศัพท์โทรศัพท์โทรแล้วยาวอยชั่วโมงไม่จบโทรกันอยู่นั่นแหละโทรกันไป ถ้าเป็นโทรศัพบถ่านนะก็คอยหยอดเรื่อยโตยอดโตยอดบ่อยๆหน้ากุฏีมาโทรอย่างนั้นบ่อยๆมาว่างๆออกมายืนดูเดี๋ยวยอดเดี๋ยวยอดไอ้อย่างนี้แล้วไม่มีเรื่องอะไรเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่มีเรื่องเลยถ้าเรื่องธุรกิจมันไม่นานพูดปรเดี๋ยวประด้าก็จบเรื่องแล้วแต่ถ้าเป็นหนุ่มก็ตามสาวก็ตามถาโทรเดี๋ยวยอดเดี๋ยอดไม่ใช่ธุรกิจแล้วมันเรื่องธุระกามารุร่ง นี่หมกมุ่นแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาเทวะมาเช้าเดี๋ยวสายสายมาอีกแหละโทรบ่อยบางทีกลางคืนค่าแล้ว ส, สองทุ่มแล้วมาโทรจำหน้าดได้ไว้นี่มาเมื่อเช้าทีหนึ่งแล้วกลางคืนมาโทรอีกแล้วโทรยาวใครจะมาโทรก็ยืนคอยขอยอยู่นั่นแหละไม่ได้เข้าไปโทรแะ้วไม่ได้โทรบางทีก็ต้องลงไปช่วยเหลือหน่อยบอกว่าหนูยังไม่จบเรื่องนะให้คนอนื่นเขาใช้มั่งสิ อันวางหูออกไปยืนพอคนนั่นโตเสร็จมันเข้าไปตัวใหม่อีกอ่ะนี่แหละก็เรียกว่ามันมันมัวเมาเลยนี่มัวเมาในเรื่องนั้นทําให้หมกมุน่นอ่านหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้แล้วพอจิตมันไปหมกมุ่นด้วยเรื่องความคล่ายความรักเนีลยเรียนหนังสือไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เนี่ยจิตใจก็ตกต่ําจะไม่เกิดความก้าวหน้าในการเรียนอะไรอะไรเสียหายหมด เพราะมัวเมาในเรื่องอย่างนั้นสัตว์ป่าที่ถูกจับได้เนี่เเอาอะไรไปล่อเอาตัวเมียไปล่อเอานกเขาไปต่อนกนกตัวเมียทั้งนั้นที่เอาไปต่อนี่เอาไปผูกไว้โรยอาหารไว้อันนี้นกตัวผู้ก็มามาจะหานกตัวเมียเนี่ยแล้วมันก็มาติดติดแล้วติดกับที่เขาไปดักไว้มัวป่าช่างป่าก็เอาตัวเมียไปล่อ พวกไปจับช่างนี่เอาช่างพังทั้งนั้นไม่เอาช่างพลายเอาช่างพังเพื่อไปล่อช่างที่เขาจะต้องการจับเอาไปเดินกข้าไปในป่าแล้วก็ไปล่อพอช่างด้่นเห็นก็เดินตามก็เดินตามมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆที่มันค่อยแคบเข้าแคบเข้าจนเข้ามาอยู่ในโคกความจริงไอ้เสาที่เป็นโคกเนี่ยถ้าว่าช่างมันกระแทกมั น, นหนักนั่นแหละทีเดียวมก็หักนะ แต่มันไม่มีความคิดจะกัดแทกอะไรปัญญามันไม่เกิดมันคิดแต่ตัวที่เดินไปข้างหน้าตัวเดียวมันคิดถึงตัวนั้นรอนนี้สุดถูกครองจับได้จูงไปข้าวหลักสี่หลักมัดแข็งแรงเลยแล้วไปฝึกไปซ้อมจนกระทั่งอยู่ในอำนาจของฝานได้ฝานคนหัดช่างไทยนี่เก่งนะส่งไปออสเตรเลียอินโดนีเซียอินโดนีเซียช่างมาก มาเที่ยวกินผักกินได้ของชาวนาชาวสวนเสียหายรัฐบาลอิโนโดนีเซียก็ติดต่อรัฐบาลไทยขอควานช่างไทยพร้อมด้วยช่างให้ไปทํางานที่โนดเพื่อช่วยป้องกันช่างนี่ควานช่างไทยไปแสดงฝีมือพวกอินโดนีเซียต้องยกนิ้วให้เลยเราเล่นฟุตบอลไม่เก่งเล่นอะไรไม่เก่งแต่ว่าจับช่างกิ่งฝึกช้างกิ่งเรียกว่าได้ถ้ว ย, ยถ้ามีถ้วย แล้วก็จ้างแพงนะเดือนหนึ่งหลายหมื่นนี่ต้องทําต่อไปกลับมาเยี่ยมบ้านให้ก็ต้องไปทําต่อเพราะได้ผลไม่ให้ช้างป่าเข้ามารังแกจับเจ๊มั่งไอ้ตัวไหนนั่นก็จับเอามาฝึกเจ้แล้วไปล่อช้างอื่นต่อไปทําได้ก็ใช้เครื่องล่อคือรูปเสียงเป็นรถสัมผัสนี่แหละเป็นเครื่องล่อเครื่องจูงใจข้าศึกมาโจมตีบ้านใดเมืองใด ถ้าหากว่าจะเอาชนะก็ใช้วัตถุเป็นเครื่องล่อเช่นว่าเล่าเป็นเรื่องว่านาคร น, นั้นเข้าไปตีไม่ได้เพราะว่ากอไผ่มันลอ้อมรอเต็มไปหมดเดินบุกเข้าไปไม่ได้ยกทัพกลับแต่ว่าก่อนจะกลับนี่เอาทองหวานกข้าไปไหว้ในกอไผ่ขว้างเข้าไปในกอไผ่แล้วก็ไปยกทัพกลับเมืองกลับมาที่หลังกอไผ่เรียบร้อยหมด เพราะคนมาเน็นทองในกอไผ่เลยมันตัดกอไผ่เตียนมัดเพื่อจะเอาทองข้าศึกมาก็เข้าเมืองได้ง่ายเพราะเอาทองล่ อ, อนี่เรียกว่าใช่อามิตเป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องจูงใจนักจิตวิทยาเขาศึกษารู้ว่าคนเราชอบอะไรก็ชอบรูปบางเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นเครื่องล่อใจจูงใจก็เอาสิ่งนี้เข้าไปล่อในการเมืองก็ใช้สิ่งนี้เข้าไปล่อ ในการศึกก็ใช้ริ่งนี้ก็ไปรอกเอาชนะได้เอาใชา้วิธีการอย่างนั้นเอาชนะพระราชาครองบ้านครองเมืองถ้ามีประเทศ ร, ราชเป็นเมืองขึ้นก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเช่นว่าเอาพระราชธิดาของพระราชาที่ครองเมืองนั้นมาทาเป็นมาเหตสีเะพ่อตาก็ไม่คิดต่อขบขแล้วเลยเออมาอะไรลูกสาวอยู่ที่โนนลูกสาวไป อยู่กับพระเจ้าแผ่นดินใหญ่แล้วเนี่จะไปคิดขบถอย่างไรนี่นโยบายบัวไม่ชํำน้าไม่ขุนแล้วก็ได้กำไรด้วยอย่งั้นวิธีการใช้วิธีเอาสิ่งล่อเข้าไปใช้เอาชนะได้คือถ้าใช้เป็นมันก็เป็นคุณใช้ไม่เป็นก็เป็นทุษอันนี้คนเราถ้าคิดยุ่งในเรื่องเกี่ยวกับรูปเสียงกปิ่นรสสัมผัสมันก็มัวเมาเพลิดเพลิน ไม่ต้องเมาของคนอื่นเมาของตัวนี่ก็เสียหายเมาของตัวก็คือเมาร่างกายเมาเรื่องแต่งตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ต้องคอยตกคอยแตง่งคอยประคับประคองมันด้วยประการต่างๆต้องเสียเงินเสียทองเพราะเรื่องเกี่ยวกับตัวเรานี่ก็ไม่ใฉ่น้อยทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตได้นะท่านจึงสอนว่าให้พาดจิตออกไปเสียบ้างคือออกมายืนดูเสียบ้างใก้กับว่า เป็นนักมวยชกทุกวันทุกวันนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงลงมาและข้างเวทีมานั่งริมเวตีแล้วก็ดูเขาชกเสียบ้างก็จะจับเรื่องได้ว่าอ๋อมันชกอย่างนั้นชกอย่างนี้ไอ้อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีจะได้แก้ไขได้หรือว่าตัวเองชกนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ดูจิตมันยุ่งแต่เรื่องจะชกเขาในนี้ถ่ายภาพวิดีโอไว้ y, แล้วเอามาฉายดูทีหลัง จะได้รู้ว่าอ๋อแม่เรามันบกปลอกตรงนี้มันเสยลูกคางได้อย่างล่มลงไปมันเป็นบทเรียนข้าถ้าได้ดูตัวเองเนี่ยก็เป็นบทเรียนเหมือนกันเพราะงั้นในทางธรรมะท่านจึงสอนว่ามองดูตัวเองเสียบ้างกรมพระนราท่านประพันธ์ว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตั ว, ตวเริงร่าหน้าหัวเต้นยั่วเสมือนฝันเออรูหนังดูละครก็ดูแต่ว่าย้อนดูตัวเสียบ้าง พอย้อนดูตัวแล้วก็จะพบว่าโอ้เรานี่มันมันคล้ายกับความฝันเหมือนกับว่านั่งฝันเดินฝันนอนฝันไปในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็น่าขันเชด้วยดูแล้วมันขำตัวเองขำตัวเองว่าแม้เรานี่ทําไมถึงเต้นแรง้งเต้นกาไปอย่างนี้ทําไมถึงหมกมุ่นมัวเมากันไปในเรื่องอย่างนี้มองดูตัวเองพิจารณาสภาพชีวิตจิตใจของเราก็จะเกิดความรู้สึกบางอย่าง ก็เกิดนิพิทานิพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายด้วยปัญญาถ้าอีกคําหนึ่งก็เรียกว่าอึดอัดขัดใจนั่นมันใช่ไม่ได้เป็นกิเลสเช่นมองอะไรแล้วแมมอึดอัดหรือว่าขัดใจนี่คำพระเขาเรียกว่าอัตอติยนาอัตติยานามาความว่าอึดอัดขัดใจไม่พอใจใจร้อนใจเร็วนี่มันใช่ไม่ได้แต่ว่านิพิธานี่มองเห็นชัดด้วยปัญญา แล้วเกิดความไม่พอใจในสิ่งนั้นด้วยปัญญาถ้าไม่พอใจด้วยปัญญาที่เขาเรียกว่าเป็นนิพพิธาเป็นญาณชนิดหนึ่งท่านจึงเรียกว่านิพพิธาญาณพอเกิดนิพพิทาญาณก็เห็นชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริง<ช>เหนื่อยหน่ายในสิ่งนั้นทำให้จิตพากจากสิ่งนั้นได้แม้เราจะอยู่กับสิ่งนั้นแต่ว่าใจไม่หมกมุ่นอยู่ด้วยปัญญาใช้ด้วยปัญญา ใช้ข้าวใช้ของใช้อะไรทุกอย่างเนี่ยเราใช้ด้วยปัญญาใช้ด้วยความรู้ว่ามันเป็นของไม่แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนสภาพไปเมื่อใดก็ได้แล้ววันนี้อยู่กับฉันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ฉันจะจากมันหรือมันจะจากเราก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาในอภินหปัจจวิกห้าอย่างข้อนึงว่า เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราตลอดไปนี่เรียกว่าพรากจิตออกไปมองดูให้เห็นสภาพที่เป็นจริงเสียบ้างแล้วก็จะมีความสุขใจขึ้นนี่เรื่องอีกอันหนึ่งเรียกว่าคิดในอันไม่เบียดเบียนใครก็หมายความว่าอยู่ด้วยความเมตตาปรารถนาะความสุขความเจริญแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย อย่าคิดกโกรธใครอย่าคิดเกลียดใครอย่าคิดดิสยาใครอย่าคิดในทางที่จะให้ใครเดือดร้อนเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันจึงคิดไปในทางเมตตาปราณียินดีเอน็นดูต่อกันไปไหนก็ไปด้วยอารมณ์อย่างนั้นไปด้วยน้ำใจเมตตาไปเพื่อประโยชน์ไปเพื่อความสุขแก่ชาวบ้านทั้งหลายเราไปอย่างนั้นเรียกว่าไปด้วยความเมตตา จิตไม่คุณมัวไม่เศร้าหมองด้วยเรื่องความาคิดวางแผนจะไปทำร้ายคนอื่นคนที่ไปฆ่าคนนี่มันต้องวางแผนหลายวันผู้ร้ายฆ่าคนต้องวางแผนต้องคอยไปจ้องไปทำอยู่หลายวันเพื่อนคนหนึ่งท่านก็ไปบวชพระมาอย่ากครบแปดสิบปีแล้วอายุท่านเรียกว่าคุ้นเคยกันเหมือนกับพี่ชายสมัยก่อนเป็นครูประชาบาลก็ เอาทุกอย่างเรียกว่าครูก็ดื่มเหล้าบ้างอะไรตออะไรทำไปําเรื่องคนหนุ่มอ่ะแล้วก็เป็นคนมีความรู้มีความสามารถก็เก่งกาดเป็นหัวหน้าเพื่โกรธคนคนหนึ่งเอาปืนไปไปนั่งอยู่ในก๊อปไพจะยิงมันนะยิงยุงก็มากัดต้องคอยลูกตอบดังๆก็ไม่ได้แล้วก็คอยจ้องอยู่นะเมื่อไรมันจะมาสักทีนะอะไรต่อะไรนะมันก็ไม่มาให้ยิง แล้วมานึกที่หลังแม่มันเป็นบุญเหลือเกินที่ไม่ต้องฆ่าคนนะทีหลังถ้าก็มาบวชเนี่ยแล้วบวชแล้วเล่าไปฟังไหมให้เราเนี่ยมันนึกถึงเรื่องเก่าแล้วมันนึกว่าแม้บุญยังมากที่มันมันไม่ต้องฆ่าคนมันไม่เดินมาให้ฆ่าวะนะแม้ถ้ามันเดินมาหนั้นกดเปรี้ยงตายแน่เลยกัดศุนพร้อมอยู่แล้วนี่คอยเด็ดจะง้างไกลทะนานั้นและวแล้วถามว่าแล้เวลานั่งจะคิดฆ่าเขานี่ใจมันเป็นยังไงท่านบอกมันว่าหุ้น มันร้อนมันกระวนกระวายร้อนว่าทำไมมันไม่มานะไม่สมใจนะไม่สมความตั้งใจพุดั ด, ด, ด, ดเนี่ยถ้าใครเดินเข้ามาตรงน้ามันต้องกดเปรียงไม่รู้ว่าใครเป็นใครตายไป น, น, นั่นเองแต่ไม่มีโอกาสที่จะฆ่านับว่าเป็นบุญแท้แลวทีหลังก็บวชแล้วกันเลยบวชมาจะครบแปดสิบอยู่แล้วปีนี้เดือนธันวาก็จะครบแปดสิบปีธันวาหน้าไ่ให่ธันวานี้ครบแปดสิบนี่ คนเรามันทำอย่างนั้นมันก็ไม่สบายเดินไปทุกอย่างก้าวที่จะไปฆ่าคนไปเบียดเบียนคนไปลักของเขาไปทำร้ายเขาเดินด้วยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เดินด้วยความสบายอกสบายใจเดินด้วยความเป็นทุกข์ฆ่าเขาได้มันก็ดีใจนิดแต่ว่เออสมใจแล้วเท่านั้นแหละแล้วกลับมานอนเป็นทุกข์เองกลัวเขาจะจับได้กลัวจะไล่ทันนะต้องเป็นคนแบกปืนอยู่ตลอดเวลา มันเป็นความทุกข์ในทางจิตใจคิดเบียดเบียนเขามันเป็นทุกข์คิดเมตตาเขานเป็นสุขไม่พยายามบาทหมายความว่าใครทำอะไรแก่เราก็ให้อภัยกันไม่ถือโทษไม่โกรธตอบให้ถือว่าแล้วก่อนแล้วไปล่วงไปแล้วอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์เลยอย่าเอามาคิดแต่บุญไหวใจเลยเพราะเมื่อใดเราคิดด้วยความพยาบาทใจก็ไม่สบาย มีความกระวนกระวายมีความจ็บเหมือนกระหน่ำยอกอกไล้กระหนามยอกอ ก, ก, อ ก, อกห อ, อกมันตำอกพยาบาทเหมือนห อ, อกตำบกพอนึกทีไดแล้วมันเข้นใจนะมันทำกูได้กูจะต้องทำมันให้ได้ น, นี่นี่คือความพยาบาทอาฆาตจองวินเป็นพิษเป็นภัยนักหนาทำให้ชีวิตเสียสุขภาพทั้งขายทั้งใจพระพุทธเจ้าท่านสองใหให้คิดตรงกันข้าม ให้คิดให้อภัยแก่กันแหละกันให้รู้สึกในทางดีต่อกันมองกันในแง่ดีแง่งามอย่ามองกันในแง่โกรธเคืองมุ่งร่ายหมายฝันกันจิตใจจะเป็นสุขนี่คือความคิดชอบเป็นอันหนึ่งในอริยมักมีองค์แปดเรียกว่าสัมมาสังกัปปะมีความดำริชอบเกอดำริในอันออกจากกามในอันไม่พยาเบียดเบียนในอันไม่พยาบาท เป็นความคิดชอบตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาดังที่แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีนั่งสงบใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้จิตฟุ้งซ่านไปคิดในเรื่องอื่นให้คิดอยู่แต่ลมเข้าลมออกเป็นเวลาห้านาที เจริญญาตโยอมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตาสเพสตาสเพสตาอภเวราอภเราอยาปชาอยาปชาอานิาอานิาสุขีอตานังสุขีอตานังปริหารันตูปริาันตูสัทั้งหลายัทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุก เ ป, เปิดแก่เก็บตายโดยการทั้งหมดทั้งสิ้นชงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่ง <cinema> ก <ol> <essa> <sce> ันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เดีอดเบี้ยนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น